ประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุวญาณสัมปันโนเสนอตอนที่28ขอขามาศบหลวงปู่มั่นสมเ น, นรฤกชาตและกรรมบรรดาลหลวงตามหาบุวญาณสัมปันโน ได้ให้อวาตธรรมเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าสอนโลกได้ 2,500 กว่าปีแล้วยังไม่ตื่นอีกหรือมันก็หมดท่าแหละมนุษย์เราโกโนุห่าโซกิมานันโดนิจังปัจชลิเตสติอันทกาเลน่โอนัฐาป ด, ดีปังนัคเวสถะก็เมื่อโลกกสนนิวาดเผาอยู่ในหัวใจของสัตว์แต่ละดวงแต่ละดวงรอบโลกทานี้ไม่มีวันสงบร่มเย็นเลยพวกทันทั้งหลาย ยังรื่นเริงบันเทิงกันหาอะไรอันนี้แปลออกมานะทําไมไม่พากันเสา ะ, ะแสวงหาที่พึ่งประดีปังนัคเวสถะทําไมไม่เสา ะ, ะแสวงหาที่พึ่งถ้าเป็นภาษาหลวงตาบัวงมบ้ากันอยู่ทำไมจะว่าอย่างนั้นให้มีความจงใจให้มีความมั่นใจให้มีหลักใจอย่าเลาะแหละโยกโยกคลอนคลอนเหมือนหลักปักขี้ควายการปฏิบัติธรรมให้ต่างองค์ต่างตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติ อยู่ที่ไหนก็ให้เป็นเหมือนคนอยู่คนเดียวคนเดียวและอยู่คนเดียวเท่านั้นอย่างให้รู้เรื่องอารมณ์ของจิตว่ามันปรุงอะไรบ้างให้รู้เรื่องอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วของตัวด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเองนี่แหละชื่อว่าผู้มีความเพียรให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าลดละความเพียรสติเป็นของสําคัญในเรื่องความเพียรผลที่เกิดจากการอบรมฝึกฝนด้วยธรรมไม่ลดละความพยายาม ยอมทำให้คนชั่วกลายเป็นคนดีใจชั่วเป็นใจดีและทำให้ผู้มีธรรมอยู่แล้วกลายเป็นคนดีขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดจนกลายเป็นคนอัศจรรย์ใจอัศจรรย์เลื่อกระชอนทั่วไตรโลกธาตุดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันเป็นตัวอย่าง หลงตามหาบหัวยานสัมปันโนเล่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าที่เราไปคิดเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่ครูจาร์มั่นว่าเอ๊ะท่านมีลักษณะอื้อๆอย่างนี้ท่านจะเผลอบ้างไหมนะเจนกระทั่งเรื่องผ่านไปท่านปรินิพานไปแล้วเรื่องของเราจึงมาเป็นฉีหลังเราก็กราบขอขมาโทษท่านเลยอันนี้เราแน่ใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราหลุดไปเลยไม่มีอะไรเหลือ เพราะเราก็รู้อยู่ในใจของเราอย่างที่ท่านว่าไว้ว่าหื้ยเื้อพวกนี้มาเพื่อปฏิบัติเพื่อเป็นพระหรือเพื่อเป็นเปรตนาปฏิบัติเพื่อพระนิพพานมันขึงขังอยู่ในใจนะเวลาเรื่องของเราผ่านไปหมายถึงเรื่องของการสิ้นกิเลสที่หลังจึงมายอมเลยทันทีโอ้โอ้โหทำไมคิดผิดเอามากเอามายคาดพราแม่รูจาร์มันโอ้โหคนมีกิเลส ไปฆ่าคนสิ่งกิเลสมันฆ่ากันได้อย่างนี้เคียวหรือเข้าไปกราบขอขมาโทษอธิคขององค์ท่านอันนี้ปรากฏว่าโล่งไปเลยทีเดียวไม่ปรากฏว่ามีอะไรตกค้างจิตของท่านสิ้นกิเลสแล้วจะให้มาเป็นอะไรได้อีกล่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเดินเล่าชีวประวัติของท่าน เรื่องสามเมาเนนรกชาติเอาไว้ว่าในงานศพของพ่อแม่ครูจา์ม่านนั้นที่วัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครเราได้พบกับเนนองหนึ่งอยู่บ้านน้ำกำรรอำเภอพระทาตุพนมเนนนี้รชาติย้อนหลังได้แต่ส่วนมากเนนไม่อยากเล่าเรื่องรึกชาติได้เพราะเล่าทีไรเป็นไข้ทุกทีสมมเนนน้อยจึงเข็ดลาบเราก็บอกว่าให้เล่ามาเธอเนนเล่ามาให้หมดคราวนี้ เนรจะไม่เป็นไข้ยอย่างแน่นอนแล้วเนนก็ไม่เป็นไข้จริงๆในทาวนั้นเนเล่าเรื่องในอดีตชาติเอาไว้ว่าในอดีตชาติชื่อว่าบัวอยู่บ้านโคกเลาะพอ่อโตเป็นหนุ่มแล้วไปฟังเทศแล้วเกิดความเลื่อมใสในท่านพระอาจารย์ทองอโศโกท่านพระอาจารย์ทองท่านไปเผยแผ่ธรรมทางเมืองอุบลจึงเข้ามาขอบวชกับท่านตามท่านมาอยู่บ้านสามผงพอดีมาเป็นไข้ป่าตายที่บ้านสามผงปีนั้น พระตายเพราะไข้าปากถึงสามรูปพอตายแล้วแบกโกรธสะพายบาดดูเขาเผาศพตัวเองคนเป็นร้อยๆเต็มอยู่ที่นั่นเขาไม่สนใจกับพระบัวสักคนเดียวหมายถึงพระบัวที่ตายแล้วไปดูคนเผาศพตัวของตัวเองนั่นแหละจากนั้นวิญญาณของพระบัวองค์นั้นแหละก็ได้ไปที่ศาลาหลังหนึ่งศาลาหลังนั้นเจ้าหน้าที่พวกยมพบาลเต็มอยู่ที่นั่นมีหัวหน้าอยู่สองคนหัวหน้าหน้าตาน่ากลัวมาก สมุดบัญชีมีสองกองกองหนึ่งเล็กกองหนึ่งใหญ่กองใหญ่เป็นบัญชีสําหรับคนทําความชั่วส่วนกองเล็กๆนี้สําหรับบัญชีคนทําคุณงามความดีพอเรียกชื่อปั๊บต้องมาถึงปุ๊บเลยอํานาชแห่งกรรมบีบบังคับขนาดนั้นนี่กี่คนโทษประเภทนี้ในที่สุดยังเหลือแต่ยายแก่คนหนึ่งเป็นเหมือนคนวัดแต่งตัวเหมือนคนไปวัดไปวาถือศีลถือธรรมยมพบาลเขาเรียกยายแก่ว่า คุณแม่นอกจากนั้นเขาเรียกว่านายนั้นนายนี้ไปเลยเขาพูดว่าคุณแม่จะเป็นสวรรค์ชั้นไหนก็ได้เรื่องผ้านี้ออกไปตรงนี้แล้วรถทิพย์จะมารับเครื่องประดับพระดาตกแต่งเขาจัดออกมาพร้อมรถเลยแล้วก็ขึ้นรถขึ้นรถทิพย์ห่อไปไปลิวไปเหมือนสําลีมีสีอาร่ามงามตาอย่างมากมายแต่ยังเหลือแต่พระบัวอยู่คนเดียวพระบัวจึงถามยมพบาลว่ายมพบาล แล้วอตมาเล่าจะให้ไปทางไหนทำไมไม่เห็นเรียกถามเหมือนคนอื่นบ้างโยมพะบาลจึงกล่าวว่าท่านครับถ้าท่านตั้งใจจะไปเกิดเมืองมนุษย์ก็ให้กลับหลังย้อนกลับไปทางนี้ถ้าท่านจะไปสวรรค์ก็ให้ลงไปตรงนี้แล้วรถทิ่จะมารับเองอตมาไม่ไปแหละอตมาหิวน้ำจะไปหาน้ำฉันก่อนพระบัวตอบจากนั้นพระบัวจึงลงมาจนถึงบ้านน้ากาขอบิณฑบาตฉันน้ากับเขา เขาบอกว่าให้ไปรออยู่บ้านหลังนี้นะเขาจะไปจากน้ำให้หมายถึงบ้านหลังที่พระบัวจะมาเกิดใหม่นั่นแหละพอไปที่นั่นรู้สึกเคลิม้มแล้วหลับไปเลยเลยยังไม่ทันได้ฉันน้าพอตื่นขึ้นมาที่ไหนได้เกิดแล้วเกิดเป็นเด็กตัวเล็กๆแล้วต่อมาก็ได้บวชเป็นสัมเนมแร่รึกชาติของแกได้ตลอดนะรึกได้ย้อนหลังย้อนหลังได้ตลอดเลยเราก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้พระอาจารย์ทองฟัง เพราะท่านมาในงานศพหลวงปู่ม่านเหมือนกันท่านถึงกับตกกระลึงนะท่านตกใจกล่าวว่านี่ใช่แล้วพระบวัวไล่ผีเก่งนะพระองค์นี้แต่ไม่เห็นไล่ผีเจ้าของได้ท่านพูดเราก็ไม่ลืมคําว่ารู้ชาติได้นี้กับพระพุทธเจ้ารุ้ชาติได้มันต่างกันนะพวกนี้สลบสลายพวกนี้ตายการรุ้ชาตินั้นรุ้ชาตินี้รู้นั้นรู้นี้มันอาจเครื่องคาดเพราะคนกระเสือกกระสนกระวนกระวาย ไม่ได้เหมือนพระยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าที่ทรงรสชาติย้อนหลังได้เช่นบุเพนิวาสานุสติยานรู้ชาติย้อนหลังได้ เ, เพาาดฉพาะชาติของพระองค์มีกี่พบกี่ชาติทรงทราบได้ตลอดทั่วถึงตลอดถึงพบชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายรู้ได้หมดด้วยพระยานอย่างทราบในได้ด้วยการสลปสลายเหมือนอย่างโลกทั้งหลายเขาเป็นกันคนนั้นตายฟื้นกลับคืนมาและรูชาติได้อย่างนั้นอย่างนี้ แล้วมาเฮากันเป็นบ้ากันไปหลุงตามหาบัวยานสัมปันโนเลยเล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าพอพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านมรณภาพลงเราก็ดีดพึงเลยเข้ากับใครไม่ได้นะเข้าไปในป่าในเขาอยู่คนเดียวคนเดียวไม่เอาใครไปด้วยใครไปด้วยไม่ได้เลยขนาดนั้นถึงเวลามันเป็น เวลาอยู่คนเดียวไม่ได้ก็มีคืออยู่คนเดียวมันก็เหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งอยู่ในป่านั่นแหละคิดดูสิไปบิณฑบาต ท, ที่ไหนหมู่บ้านใหญ่ๆไม่อยู่ไปหาอยู่หมู่บ้านสีห้าหลังคาเรือนถ้ายิ่งบ้านไหนไปแล้วเขารุมมาหาบ้านเช่นนี้ไม่ได้เรื่องเป็นแน่แท้เพราะพวกเขาจะมายุ่งหาเวลาภาวนาไม่ได้ไปบิณฑบาตก็ทําความเพียรตลอดยุ่งกับใครเมื่อไหร่ทั้งไปทั้งกลับมีแต่เรื่องความเพียรเหมือนกับเดินจงกรม เป็นอยู่ในหลักธรรมชาติของมันเองเวลามันหมุนของมันเห็นชัดๆอยู่ในหัวใจว่าอยู่กับใครไม่ได้ขโมยหนีถ้าพอไปกลางวันก็ไปได้พอไปกลางคืนได้ก็ไปกลางคืนก็งานของเราเป็นอยู่อย่างนี้มีเวลาว่างเมื่อไหร่อยู่อย่างนี้ตลอดแล้วจะไปอ้าปากพูดคุยกับคนนั้นอ้าปากพูดคุยกับคนนี้ได้ยังไงงานเต็มมืออยู่นี่งานหมายถึงงานภาวนานั่นถึงวรมัน เป็นอยู่ในหัวใจมันก็รู้เองสมัยที่เราพักอยู่อเาเภอสว่านแดนดิมจังหวัดสกลนครมันเป็นกมบันดลบันดาลอย่างไรก็ไม่ทราบสัตว์กับพระนี้รู้เข้าใจกันมากทีเดียวผ้าสีเหลืองผ้าสีเหลืองหมดของพระไปที่ไหนไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครๆเราไปอยู่ในป่านในเขามีพวกสัตว์นี้เข้ามาอยู่ด้วยคือว่ามันอยู่ข้างนอกมันกลัวพวกนายพรานกลัวพวกสัตว์ด้วยกันเช่นเสือร้าย เขามาเอาไปกินบ้าคนคนฆ่าบ้างถ้ามาแอบอยู่กับพระย่อมปลอดภัยไม่ค่อยเป็นอะไรเราไปพักอยู่คนเดียวในป่าเป็นที่ดงลุ่มๆพวกเนื้อพวกอีกเก้งหมูพวกเสือพวกหมีเต็มอยู่ในนั้นเห็นว่าที่นั่นมันสงัดดีห่างจากหมู่บ้านเป็นกิโล ก, กว่าๆไม่ไกลนักบางบ้านก็สองกิโลปิดบ่ากับเขาพอได้อยู่ได้อาศัยขณะนั้น มีพวกนายพรานมหาล่าเนื้อเขาดาหน้ากระดานล้อมโอปป่าเข้ามาตัวนายพรานดักอยู่ข้างหน้านั่นกลางเป็นบริเวณสัตว์อยู่แล้วพวกพรานนี้ไล่าดาหน้าเข้าไปเคาะไม้เคาะอะไรไปเสียงร้องดังโบกเวกโบกเวกไปเพื่อไล่ล่าเนื้อให้ไปรวมอยู่ในจุดเดียวกันเราก็อยู่ที่ป่านั่นเขาก็ล้อมเข้ามาจนกระทั่งถึงที่พักของเรามันทําให้เราสล ด, ดใจสุ ด, ดสังเวชเหลือประมาณเราก็ดู เพียงคิดในใจว่าเอ๊ะบ้านเมืองนี้มันเป็นยังไงกันนะคนเราก็ต้องมีความละอายใจใจเกรงกลัวตอบากกันบ้างจะมาหาล่าสัตว์บริเวณพระอยู่ได้ยังไงโอ้ชาวบ้านนี้ช่างยากนาะเสียจริงๆบ้านเราเมืองเรามีศาสานาถ้าเป็นคนไม่รู้เรื่องเราก็จะบอกนี่มันรู้เรื่องแล้วมันก็แกล้งเฉยๆเราก็เลยไม่สนใจพวกนายพรานเขามีข้อกติกากันคือ ใครไปตรงไหนให้ไปตรงนั้นไปที่อื่นไม่ได้เวลาล่าเนื้อเขามีกฎกติกาอยู่สองข้อหนึ่งนายพรานยิงไม่ถูกเขาเคี่ยนนายพรานนะข้อที่สองท่านลูกน้องไล่ไม่ตรงจุดตามที่เขาทําเครื่องหมายเอาไว้ก็ต้องถูกเคี่ยนเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกสัตว์และพวกพรานมันจึงมาถึงที่ที่เราพักอยู่ไอ้นายพรานคนหนึ่งเดินจอกแจ๊กจอกแจกมาเยือนอยู่ข้างหน้าเรา มันโกรธที่พวกเนื้อตื่นนี้ยิงตะโกนชี้หน้าด่าเราเป็นภาษาอีสานว่าพระหากินหัวมึงมึงมาอยู่ตายยังบ่อนนี้กูจะเอาปืนยิงหัวมึงมึงบังคุจักบ่อนไล่เนื้อไล่เสือหรือถ้าแปลเป็นไทยก็ได้ความว่าไอ้พระหามึงมาอยู่ทําไมตรงนี้ตรงที่กูจะล่าเนื้อกูจะเอาปืนยิงหัวมึงมันด่าว่าแล้วมันก็ไปมันไม่ยิงหัวเราหรอกมันด่าว่าเฉย ติกริยามันอุดจัเราก็เฉยผู้ลูงน้องได้ยินมันพูดอย่างนั้นก็ยืนฟังหน้าแห้งเพราะมีบางคนที่เขาเคารพพระเป็นแต่เพียงนายสั่งให้ไปอย่างไรก็ไปอย่างนั้นหลีกไม่ได้เขาจิตเขียนสัก ป, ประเดี๋ยวผู้เท่าซึ่งเป็นยอุปถากที่ดูแลเราก็เข้ามาแจจิงขนาดพวกนั้นพูดเสียงดังฟังชัดเหมือนกันว่าพวกห้ากินหัวสูขันสูหิวสีตายสู้เป็นหยัง สูบเอางูอยู่ข้อกูมาฆ่ากินสูมาไล่อีหยั่งไล่เนื้อพระวัดพระวากูบานี้กูตัวเป็นผู้พาเอามาเอาเพิ่นมานี่แปลให้ฟังก็ได้ความว่าพวกหานี้ถ้าเมึงหิวเนื้อจนจะเป็นจะตายทําไมกวกมึงไม่ไปเอาวัวที่อยู่ในข้อของกูมาฆ่ากินทําไมต้องมาไล่ฆ่าสัตว์ที่อยู่ในวัดพระรูปนี้กูเป็นคนไปนิมนต์ท่านมาเองพวกนายพรานฟังเจด่าว่าแล้วก็เฉยบอกพูด อะไรเลยต่อมาอีกไม่นานนักประมาณเกือบเกือบอาทิตย์ไฟในลูกหลามไม่บ้านและยุ้งข้าวของนายพรานคนที่ด่าดเราจนเกลี้ยงทั้งทั้งที่ทุกขานอนอยู่ในบ้านในเวลากลางวันแสกแสกไม่ก็ไม่เฉพาะบ้านในยุงข้าวของแกหลังเดีอวเทนั้นแล้วหลวงก็ปรับสินไหมอีกฐานละเมิดคือดูแลยุ้งข้าวไม่ได้ต่อจากนั้นอีกพอตกเดือนพฤษภาคมแกไปทอดแหไปได้ปลามาแล้ว เดินไปเก็บใบมะขามอ่อนเอามาต้มใส่ปลายึงปีนขึ้นต้นมะขามขณะปีนผ้าตกลงมาโดนเสาโคนรัว้วที่ปลายแหลมๆเสียบทูทะลุตายคาที่พวกชาวบ้านชาวเมืองมาเห็นดังนั้นก็ร้องเรียกบอกข่าวกันทั้งบ้านทั้งเมืองว่ามันจะตายกันทั้งบ้านไอ้พวกที่ไปไล่เนื้อขู่ยิงพระที่วัดนั้นหนะพวกชาวบ้านจึงกลัวกันจะเป็นบ้ากันไปเลยนี่มันเป็นสิ่งที่น่าคิดน่าพิจารณา เราพูดตามเรื่องความจริงมันเป็นอย่างนั้นเรื่องศาสนานี่สำคัญอยู่นะเป็นเรื่องลึกๆ ล, ลับๆอยู่ผ้าเหลืองนี้จึงมีอำนาจอยู่ลึกๆนะเพราะทําเนื้อวิทยาศาสตร์เรื่องบนเรื่องก ร, รมเนื้อทุกสิ่งเนื้อทุกอย่าง